ข้สอสตริยาธิกัลณะในทุติยาวิพัฒน์หมายความว่าทุติยาวิพัตน์ขายายทุติยาวิพัฒน์เอกพจน์เข้าเอกพจน์เหมือนกันพระหูน์เข้าพระหูน์เหมือนกันจะไปดูตัวอย่างที่ทุติยาขายายทุติยาตัวอย่างของ้อ1อหังเอกรังทางริกังปัตสามิเอกังกับทางริกังเนี่ยเป็นทุติยาวิพัฒน์เหมือนกันอหังแปลว่ขาข้าพเจ้าปัตสามิ เห็นเอกังทางริษกังเด็กทารกหรือเด็กทาริกาเด็กหญิงคนหนึ่งเราเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งเราเห็นเด็กหญิงหนึ่งคนสองกัญญาอภิกรูปังทางระกังโอโลเกติกัญญากัญญา หญิงสาวโอโลเกติมองดูงดทางกระกังซึ่งเด็กชา ย, ชายอภิรูปังผู้มีรูปงามผู้มีรูปงามคนหลอ่อเด็กหญิงหญิงสาวดเด็กหญิงมากกว่านะครับยังไม่เป็นหญิงสาวเพราะกัญญานี่อายุเองดเด็กหญิงมองเห็นนะเด็กหญิงมองเห็นเด็กชาย รูปงามข้อ3อิชชาตินุอาจัลริยะตวงพาลังสิทธสังอาจัลกิยะเป็นอาลปะนะข้าแต่ท่านอาจารย์ตวังท่านอิจฉสิย่อมปราถนาหรือหรือว่าอิชฉาสิไว้ก่อนอิชฉาสิย่อมปรารถนาพาลังสิทธ์สังซึ่งสิทธง้อง้อโนหรือ นุหรือเป็นคําถามแปลใหม่แปลใหม่อาจรารย์กฤยศค่ะแต่ท่านอาจารย์ตวงท่านอิจฉสิย่อมปรารถนาย่อมต้องการสิทธิสังซึ่งลูกศิษย์พาลังผู้โง่เขานุหรือไม่หรือเปล่าหรือเฉยๆก็ได้สมมุติว่าอาจารย์ตอบณอิจฉามหังพาลังสิทธิสัง วันดิตเมวะสิสังอิชามิอิชามหังเนี่ยเป็นสนทิตัดออกมาเป็นอะไรอิชาามหังตัดเป็นทำไมไปตัดอิชามะฟังอามะนี่ไม่เป็นบาลีแล้วนั่นเองตายตายตายตายกำลังจะตอบอยู่ก็จะเป็นพลังจริงๆซะแล้วอิชามหังตัดเป็นอิชามิบวกอะหัง อหารกันบังคับไว้ล้มันต้องเป็นอิชามิเท่านั้นนะ่ะ อ, อิชามิอหางสงสัยต้องกลับคําตอบไว้ข้างหน้าข้างหลังใหม่นะอหังข้าพเจ้าเราหรือว่าอาจารย์ณนะอิจฉามิย่อมไม่ต้องการสิทธิ์สังซึ่งลูกสิทธิ์พาลังผู้งงโง่เขลาอิชามิย่อมต้องการสิทธิสังซึ่งสิทธิทปมม์ปันติตะเมวะปันติตังเอวะผู้ฉลาดเท่านั้น ไม่ต้องการสิทธ์โง่ต้องการสิทธิ์ฉลาดเท่านั้นบางคนฉลาดอาจจะไม่เก่งถ้าหมายถึงว่าคนเก่งนี่เขาเก่งเฉพาะด้านน่ะถ้าคนฉลาดก็อะไรอะไรก็จัดการได้แต่ไม่มีจุดเด่นแต่ถ้าคนเก่งนี่เขาเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอาจคนเรียนเก่งคนเรียนเก่งนี่อาจจะขี้เกียจทําอย่างอื่นก็ได้ไมแน่แล้วแต่ว่าเก่งเรื่องอะไรเขาจะบอกว่าเก่งเรื่องอะไรเก่งไปหมดซะทุกอย่างเนี่หายาก ส่วนภาละเนี่ยแปลว่าปัญญายังไม่แก่กล้านะถ้างโง่ด้วยขี้เกียจ ด, ด้วยก็ต้องเอาไฟจี้คน้นต่อไปข้อ5สมนาเชตว่านางนามอางรามังอาคัตฉันติสมนาสัมนาทั้งหลายพระทั้งหลายอาคัตฉันติอาคัตฉันติย่อมมาพากันมา อังรามังสู่วัดสู่วัดเชตวันังนามะชื่อเชตวันพระสมณะทั้งหลายหรือภิกษุทั้งหลายหรือพระเฉยเฉยก็ได้พระทั้งหลายพากันมาสู่วัดพระเชตวันข้อสามเอายังไม่พอใจอีกอิจฉาสิตวงัตวงท่านอิชฉาสิเป็นกิยาของตอวังอิชสิย่อมต้องการ อมผาลังแปลว่าโง่แปลว่าเขา่าไม่ได้แปลว่าเกเลนะผาลังเนี่ยปัญญาอ่อนไม่ได้นะปัญญาอ่อนภาษาไทยไม่ได้นะ <c oughs> ถ้าปัญญายังไม่แก่กล้าอ่มันยังพอรู้ได้่าคนปัญญายังไม่แก่กล้า <c oughs> แต่บอกว่ายังอ๋อหมายถึงคนปัญญาอ่อนนะไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ปัญญาอ่อนนี่คือตัดสินอะไรไม่ได้เลย <c oughs> ต้องนั่งนับนิ้วยิ้มน้ำลายยืดไปเรื่อย ต่อไปข้อหเฉโกปุคโลทูงเรปิปันติตังอาจังริยังเขเวสติเฉโกนี่ไม่ใช่ฉลาดแกมโกงนะไทยมักจะใช้ความหมายฉลาดแกมกโกงเฉโกเป็นคนเฉโกใช่ไหมถ้าผู้หญิงก็ต้องเป็นคนเฉกาสิ <laughs> ปุคโลบุคคลเฉโกผู้ฉลาดคนมีความฉลาดเนี่ยนะ ขเขวสติย่อมสแสวงหาอาจะริยังซึ่งอาจารย์ปันดิตังผู้เป็นบัณฑิตทูงเรปิแม้ในที่ไกลแม้จะอยู่ไกลแสนไกลนะทราบข่าวว่าอาจารย์อยู่นู้นน่ะต้องดินรนสแสวงไปหา แ, แต่บางคนมาไกลจริงๆนะบางค น, นมาใกล้ๆพอได้เจออาจารย์แล้วก็มาหลับ เชโกปุคลโลบุคคลผู้ฉลาดเข้าเอสติย่อมสแสวงหาอาจารย์กิยังซึ่งอาจารย์ปัณฑิตังผู้ฉลาดผู้เป็นบัณฑิตทูงเรปิแม้ในที่ไกลแม้จะอยู่ไกลนั่นเองไม่ทุงเรปิไม่ใช่ทูเรปิเนี่ยเป็นสัตมีวิพัตในในแปลว่าในะแม้แม้ในที่ไกลอ่ะปัณฑิตังเป็นตัวขยายของอาจาริยังข้อเจ อาจังริโยวีงริยาลํมเพปิอะระเสปิสิทธเสละพติปอบใจหน่อยอาจัริโยอาจารย์ละพติย่อมได้สิทธเสซึ่งสิทธทั้งหลายวีงริยาลํมเพปิผู้ขยันบ้างผู้ขยันก็มีอะะเสปิผู้ขี้เกียจก็มีสิทธทั้งหลายสิทธหลายคนบางคนขยันบางคนเกียจคร้าน ใครขยันบ้างอยู่เนี่ยยกมือหน่อยเอาแล้วทำไมไม่ยกละงั้นเอามือเอาใครเกียรตใครใครขี้เกียรเดี๋ยวนียกมือหน่อยดูเห็นไหมมันแตกต่างกันนะถามว่าใครขยันไม่กล้ายกเพราถามว่าใครขี้เกียรน่ะกล้ายกยกสองคนส่วนคนขยันไม่ยกเลยสักคนถ่ายทอดอะไรก็ไม่รู้โทรบอกแต่มาตอนกลางคืนบอกว่าท่านรายการท่านเลื่อนไปก่อนเขามีถ่ายทอดอนามันอนามันด่วน อันนั้นเขาสดของเรานีแห้งต่อไปข้อ8เนกาสีสุหัตชังสหายังลปติเอกาสีทุหัตชังมิตังลพติเนกาสีก็คือตัดสนธินะไม่ใช่คำเดียวนะมาจากณบวกเอกาสีณนะในปฏิเสธละพติย่อมไม่ได้เอกาสีผู้กินคนเดียว เอกะแปลว่าคนเดียวอะสะแปลว่ากินอีแปลว่าผู้เอากาศีผู้กินคนเดียวเอกับหนึ่งกินคนหนึ่งเหรอเดี๋ยวจะกลายไปว่าไปกินคนหมดคนหนึ่งแล้วกินคนเดียว <c oughs> ผู้กินคนเดียวได้ของกินมาอร่อยอร่อยกลัวเพื่อนจะแย่งกินแอบกินคนเดียวอะไรอย่างเนี้ยอืไม่อร่อยแต่บางคนเขาขี้เหนียวเขาอร่อยนะ พอมีเพื่อนมาแย่งกินเนี่ยไม่อร่อยเอากาสีผู้กินคนเดียวถ้าลวกแปลว่าเนกาสีก็แปลว่าผู้ไม่กินคนเดียวอืมแต่ว่าในนี้เราจะใช้นะถ้าไม่กินคนเดียวก็แบ่งเพื่อนกินนะนัละพะติย่อมไม่ได้สหายยังซึ่งสหายซึ่งเพื่อนสุหัตชังผู้มีใจดีผู้มีน้ำใจคนกินคนเดียวเนี่ยนะ จะไม่ได้เพื่อนที่มีน้ำใจเขานั้นแหละณคือนเนนั่นแหละถ้าตัดสนธิออกมาก็จะเป็นณบวกเอไงเป็นเนถ้าเป็นสมาก็จะเป็นอเนนะไม่เป็นเนแล้วก็บทหลังประโยคหลังก็กลับกันเอกาศีผู้กินคนเดียวลวะพติจะได้มิตรตังซึ่งเพื่อนทุหัดฉังผู้มีใจร้ายผู้มีใจเสีย สูหัดชังใจดีทุหัดชังใจร้ายใจไม่ดีนั่นแหละอืมแต่ในนี้ไม่ได้ใช้คําว่าใจไม่ดีใจร้ายเลยเวลาคบเพื่อนเพื่อนก็จะจ้องเอาเปรียบอย่างเดียว่ได้เพื่อนที่ชอบเอาเปรียบไม่ไม่ไม่ปฏิเสธกิริยาปฏิเสธทั้งประโยคครับจริงๆแล้วปฏิเสธกิริยาถ้าไปเสธถ้าปฏิเสธน้ำก็จะเป็นสมาร์ต<ม>เป็นอเนกาสี อันนี้เป็นเอกาสีก็เป็นเอกาศิงหรือไม่กันเนกาสีเนี่ยถ้าเรา <Question. S 2> ไม่ถ้าเราไม <ร unlikely. S 1> ่ทําอย่างนี้เราก็เลี้ยงเสือใหม่ว่าเอาณมาอยู่หน้าลพติก็ได้เอกาศีส่วนชังสหายอย่างรัพติอย่างนี้ก็ได้แต่มันยาวขึ้นอีกหนึ่งคำอ่ะเครเล่านิทานให้ฟังแล้วเนี่ยคนกินคนเดียวสุภาษิตอีสานมันเรืองสั้นผ่านทําไมแล้วผ่านไปแล้วผมไม่เล่านะลืมสุภาษิตอีสานเขามีอยู่คำหนึ่ง เวลาพ่อแม่คนไหนสอนลูกดีนะก็ไม่อยากให้ลูกเป็นคนไร้น้ำใจมีอะไรก็เผื่อแผ่แบ่งปันเพื่อนมีน้ำใจมักจะได้ยินอยู่เนืองๆว่ากินคนเดียวงูเหลือมเกี้ยวรู้จักคำว่าเกี้ยวไหมเกี้ยวอิสานนี่แปลว่ารัดงูงูรัดถูกงูรัดงูเหลือมรัดกินคนเดียวงูเหลือมเกี้ยวภาษาอีสานะ งูเหลี่ยมเคย ม, มีงูเหลี่ยมเกี่ยวถ้าลูกหลานเขาไม่ฟังไม่เชื่อก็มันจะเกี่ยวได้ยังไงพ่อแม่ก็จะเล่านิทานให้ลูกหลานฟังอยู่เรื่องหนึง่งเคยมีนะลูกอะไรอย่างเงี้ยมีสองสหายเดินทางร่วมกันเดินทางจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งด้วยกิจบางอย่างเพื่อนคนหนึ่งกําหนดเส้นทางแล้วรู้ว่าเดินทางไม่ถึงภายในเมื้ออาหาร จึงเตรียมสเสบียงทางไปเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ศาลเสบียงทางก็ต้องเป็นข้าวเหนียว <c oughs> ใบตองกล้วยหอ่อข้าวเหนียวเป็นหนึ่งหอมีแจ่วด้วยแจ่วบอง <c oughs> แจ่วบองเขาห่อดีนะห่อแจ่วบองเขาจะเอาใบตองกล้วยสดๆเนี่ยมามาลนไฟก่อนให้มันนิ่มมันนิ่มแล้วก็หอ่อวิธีหอ่อแจ่วบองในปกติมันจะมีน้าแฉะเนี่ยนะ วิธีห่อของคนทิศานเนี่ยห่อเสร็จแล้วใส่บวกรวมปึกกันไปกับหอ่อข้าวเหนียวแล้วผ้าขามา้าขูกแล้วก็ผูกมัดเอวไปนะ่ะนะน้ำปลาละไม่ออกอะ่ะไม่เขาห่อเป็นน้าปะลาจะไม่ออกเลยจะไม่ซึมออกมาข้างนอกเหมือนใช้ถุงพลาสติกเลยอีกเพื่อนคนหนึ่งก็คิดว่ามันคงไปทันอยู่อ่ะถึงจะหิวหน่อยก็ทนเอาได้ เดินทางเลยเมื่ออาหารไปก็ทนเดินเอาได้เลยร่วมกันเดินทางไปด้วยกันไปถึงระหว่างทางพากันหิวข้าวไอตอนปกติเราคิดว่าเรากินข้าวเช้าแปดโมงเช้าไปถึงบ่ายสองโมงเนี่ยมันมันคงจะพอทนได้แต่เวลาออกเดินทางจริงมันหิวก่อนเวลาเหน็ดเหนื่อยมาแล้วเที่ยงก็เริ่มหิวแล้วหิวจัดจัดข้า เพื่อนที่เอาข้าวไปก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ hey, แกเอาข้าวมาหรือเปล่า mm hmm. เพื่อนเขาบอกว่าไม่ได้เอามาเ mm hmm. งียบไม่ยอมพูดนะ mm hmm. ก็ไม่บอกว่าตัวเองเอามากลัวเพื่อนจะข อ, อกินด้วย mm hmm. คิดแล้ว mm hmm. มันไม่เอามานี่ไหมมันกินดีกว่า mm hmm. พอเรามาก็กะ ว, ว่าเราอิ่มพอดีถ้าแบ่งให้เพื่อนจะไม่อิ่ม mm hmm. ก็เลยเงียบเอาไว้ก็เดินต่อไปเหนื่อยเข้าเหนื่อยเขาแม้แต่ตัวเองที่มีข้าวกระทนไม่ไหวเหมือนกัน mm hmm. มันหิวขึ้นมาแล้วนะ่ะจะทํายังไง ก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันใครไม่เอามาก็ไม่ต้องกินแล้วกันไม่รู้จะบอกว่าไงเพื่อนเพื่อนก็ไม่รู้จะไหวยังไงได้เอ้าไม่ให้กินก็ไม่กินก็ได้เพื่อนไปเปิดห่อข้าวออกมาปั้นข้าวเหนียวจิ้มแจ่วเขี้ยวตุ้ยตุยอร่อยนะหิวหิวมาแล้วอ่ะเพื่อนก็ทนไม่ไหวที่ไม่ได้เอาข้าวมาก็เลยเอ๊ะขอกินหน่อยไม่ได้เลยมันหิวเหมือนกันนะอกไม่ไม่ได้หรอกข้าวมาสําหรับข้าอิ่มคนเดียว กินไม่ได้เขากินไม่ได้ก็ไม่กินก็ตั้งทนหิวอยู่พอกินอิ่มเพื่อนคนที่กินข้าวแล้วก็ร่างกายแข็งแรงแล้วทีนี้ออกเดินทางนําหน้าริ้วเลยไอ้เพื่อนที่หิวแล้ก็เดินตอกแตกตอกแตกขาแกว่งไปหิวไม่รู้จะไปไงไม่แข็งแรงเดินช้าเดินไปไม่ไกลนะักมีงูเหลือมใหญ่ตัวหนึ่งมันรอ ด, ดักเหยื่ออยู่หางพันกิ่งไม้ ห, ห้อย ห, หัวลงมาเห็นเจ้า กินข้าวอิ่มเดินนําหน้าเรี่ยวไปงูเหลือมมันก็ร่วงลงมารัดเลยลัดไว้แน่นไอ้เพื่อนก็เรียกเฮ้ยไปช่วยกูทีช่วยกูทีเพื่อนโอ้ยข้าวจะเดินก็ไม่ไหวอยู่แล้วจะช่วยยังไงไหวข้าก็ก้าวไม่ออกอยูแล้วจะไปช่วยแกงงูเหลือมขนาดนี้มันช่วยไม่ได้แล้วนแกไมาอยากให้ข้าข้าวากินนะข้าไม่มีแรง ก็ไปช่วยวก็ยังมีน้ำใจไปช่วยดึงช่วยสารพัดดึงไม่ออกเพราะแรงก็หมดแล้วไอ้เจ้าคนที่กินข้าวอิ่มเลยถูกงูเหลือมกินเข้าไปเลยอืมพอมากินอิ่มแล้วมันก็ไม่กินอะไรอีกแล้วงูเหลือมไอ้เจ้านี้ก็บิ้งตาแหกขาแขวงไปร <c oughs> <c oughs> อดไปไม่ได้กินข้าวรอดส่วนคนกินข้าวไม่รอด <c oughs> <c oughs> งั้นภาสิสนี้คนอีสานเขาจะเล่าสอนลูกสอนหลานอยู่เสมอว่ากินคนเดียวงูเหลือมเกี้ยว เท่านั้นแหละอย่างอย่างพ่อให้ขนมลูกบอกว่าลูกแบ่งให้พี่หน่อยไม่เอาไม่เอาจะกินคนเดียวไม่ได้เพราะเรายี่ทานนี้แบ่งครึ่งเลยน้องชายในรีบแบ่งครึ่งเลยให้พี่ไม่ต้องบอกเลยแบ่งครึ่งเลยข้อเก้าปัริพาชโกอัญญะตังรังมีจังอาสนังฆะเหตุตวะเอกมันตังนิสีทติปัริพาชโกเป็นชื่อเราเรียกทับศัพท์ว่าปัญริพาชก ซึ่งปริภาชกเนี่ยเป็นนักบวชรัติหนึ่งบวช ด, ด้วยวิธีถอนผมใครจะบวชก็ตามเขาไม่ใช้มีดโกนเขาใช้ถอนเอาเป็นเส้นๆเลยถอนถอนเลย <Yeah. S 1> เจ็บใช่ต้องทนถ้าทนไม่ได้ไม่บรรุต้องทนอยู่ทีนี้บางคนเนี่ยศรัทธาอยากจะบวชในรัทตินี้ก็จับไปถอนถอนถอนได้ไม่ถึงครึ่งหัวเลยวิ่งหนีไม่เอาไว้ไม่เอาเนี่ย ทนไม่ไหบางคนใจเด็ดหน่อยเหมือนกับพวกที่สักยันสักลายแล้วพวกนี้บางคนก็ยอมให้สักนงบางคนสักชึกชึกสองทีไม่เอาแล้วหนี <c oughs> คนทนไหวก็ทนไปบวชได้ดังนั้นเขาเห็นเหตุอย่างนี้เรื่อยๆไม่ไหวใครจะมาบวชเดี๋ยววิ่งหนีเดี๋ยววิ่งห น, เววงนีเขาเลยใช้วิธีถอนแบบใหม่ขุดหลุมฝังก่อน <c oughs> เขาเรียกว่าหลุมโกนผมไอ้หลุนหลุมถอนผม <c oughs> เขาขุดหลุมเอาไว้เลย ใครไปขอบวชเนี่ยเขาจะจับลงไปในหลุมแล้วเอาไม้กระดานสองแผน่นวางทับไหลเอาไว้ไม่ให้หนีเลยแล้วก็ถอน <laughs> ถอนเลยแล้วนี่เครื่องถอนสมัยก่อนเนะี่ยมันไม่มีแหนบไม่มีอะไรอย่างสมัยนี้งไงีโบราณเข<ม>าก็เอาใบลานเอาใบตาลนะ่ะไอ้ใบตาลที่มันเป็นหนามแข็งๆตรงดำๆอนะครีบๆตาลนะ่นะเอามาพับเป็นแหนบอะ่ะมาพับสองอันจับอย่างเงี้ย เหมือนตะ ก, กับแล้วก็บีบเล่นน่ะหนีบแล้วก็ดึงหนีบแล้วก็ดึงดิ้นแดวเดาอยู่ในหลุมนั่นแหละ<ง>ก็เขาก็ค่อยถอนไปเรื่อยเขาไม่ถอนเป็นกระจุกหรอกกระจุกก็หนังหลุดออกมาเลยไม่เ <ๆ S 2> ข, ข, ข, ข, ขาก็เขาก็เขาก็จับหนีบทีละเส้นทีละเส้นนี่แหละอืต้องต้องให้เสร็จภายในหนึ่งยาม นะถ้าเกินนั้นไปมันจะบวมแล้วก็กำลังอักเสบระบบจึงถอนไม่ได้แล้วต้องถอนอนะี่ถอนเช้าก็ให้เสร็จภายในเชา้าสอนบ่ายก็เสร็จภายในบ่าย <Okay. S 2> ก็ประมาณ3าสี่ชั่วโมงหนึ่งยามเจ็บแต่ว่าเขาก็มีหลักสอนหลักคําสอนเขาอยู่นะอย่างเช่นเฮ้ยลูกผู้ชายมันต้องใจสู้มันต้องทนได้อะไรเนี้ยมันก็หนีไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่นั่นเขามีลทัทธิ <c oughs> ความเชื่อของเขาว่า ใครถอนผมเสร็จเนี่ยนะก็สามารถบรรลุปเป็นพระอรหันต์อีกคนอยากบรกรลุก็ทนอย่างโยมเกียรติพลนีสบายอย่างนี้เขาต้องชวนเห็นปุ๊บชวนเลยมเมื่อยมือถอนนะปริพาชะโกนะต่อไปข้าเหตตตัวปริพาชะโกปริพาชกข้าเหตุตัวถือเอาแล้วอาสนังซึ่งที่นั่งซึ่งที่นั่ง มีจังอันต่ําอัญยัดตั้งรังอย่างหนึ่งแห่งหนึ่งถ้าเป็นผ้าปูนั่งก็อันหนึ่งถ้าเป็นพื้นเป็นห้องเป็นบ้านก็แห่งหนึ่งอย่างหนึ่งอัญยัดตั้งรังขยายทั้งอันยัดตั้งรังทั้งมีจังขยายอาสนังอัญยัดตั้งรังอื่นอีกที่เราแปลในสรรพนามมาเห็นไหมนิสีทติ ย่อมนั่งหรือว่านั่งแล้วอ่ะย่อมนั่งนั่งอยู่เอกัมมันตังณนะที่สมควรข้างหนึ่งณนะที่สมควรณนะที่สุดส่วนข้างหนึ่งนะเอกมันตังเนี่ยเป็นทุติยาวิพัฒน์ลงในอัศตมีแปลว่าในที่สมควรเอกังไหนไม่เป็นเอกัมมันตังอย่างนี้เลยครับนิสีตติแปลว่านั่งนิสีตตินั่ง เอกมันตังณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งณที่สมควรนั่นเองแปลอย่างนี้แปลว่าที่สมควรอย่างเช่นปริภาชกจะเข้าเฝ้าพระผู้ทธมีพระภาคเนี่ยนะตัวเองถือว่าด้อยกว่าด้วยคนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องมองหาที่นั่งที่ต่ํากว่าเมื่อเห็นที่นั่งที่ต่ํากว่าแล้วก็เอาละยึดเอาตรงนี้เราจะนั่งตรงนี้แล้วก็นั่งที่สมควรแก่ตนต่อไปข้อสิบยาวหน่อยหลายๆประโยครวมกันเข้า เอกัสมิงที่วเสแปลก่อนเลยก็ได้นะเอกัสมิงที่วเสเอากาอุปาสิกาสุ ป, ปฏิปันนังพิกขุงทิสวาปัศนาจิตตาตัสสะเอกทัพพิงพิกขังทัธาติโสภิกขุ ป, ปเตนะตังพิกขังปฏิเหตวาตัสสะสัมโมทนียังกะถังกะเทสิกะถังกเทติสาปาโมชจิตตาสาธุสาธุติติขัดตุงสาธุการังกะโรติ เอกัสมิงทิวเสนในวันหนึ่งเอากาอุปาสิกาอุบาสิกาคนหนึ่งทิสวาเห็นแล้วพิกขุงซึ่งภิกษุสุปฏิปนันังผู้ปฏิบัติดีปสันนจิตามีจิตเลื่อมใสแล้วทัทาติย่อมถวาย พิกขังซึ่งพิกษาเอกทัพพิง1ทัพผีตัดสะแก่ท่านแก่ภิกษุนั้นโสภิกขุภิกษุรูปนั้นปฏิฆาเหตุตวารับแล้วตังพิกขังซึ่งพิกษานั้นปัฏเตนะด้วยบาทยื่นบาทดไปรับใช้บาทรับไม่ได้ใช้มือรับ เมื่อรับแล้วทำอะไรต่อคะเทติย่อมกล่าวกระถังซึ่งถ้อยคําสมโมทนียังอันยังจิตให้เบิกบานสัมโมทนียกถาเคยได้ยินไหมพอถวายทานเสร็จแล้วพระกับท่านก็จะกล่าวสมโมนะกล่าวสมโมทนียกถาทําให้จิตอาถานว่าเริงเบิกบานในธรรมในทานที่ให้พอพระท่านกล่าวทำแล้วสา อุบาสิกานั้นตัดสาแก่อุบาสิกานั้นตัดสาตัดสาแก่เธอสาอุบาสิกานั้นปาโมชจิตตามีจิตเบิกบานแล้วมีจิตปราโมชแล้วทับศัพท์กังโรติย่อมกระทําสาธุการรังซึ่งสาธุการติกขตุงสามครั้ง สาธุสาธูติว่าสาธุสาธุเหมือนกันสาธุอิติสาธุติสาธุติสาธุาธอิติ<ม>แปลคำไหนไม่ทันถามตั้งแต่เริ่มเลย <c oughs> เอากาสมิงทิวาเส <c oughs> ในวันหนึ่งเา้าแปลได้แล้วเนี่ยเอากาอุปาสิกาอุปาสิกาคนหนึ่งทิสวา เห็นแล้วพิกขุงซึ่งพิกสูสุปฏ e ิปันนังผู้ปฏิบัติดีปสันนจิตามีจิตทัทติย่อมถวายพิกขังซึ fear, ่งพิกษาเอกทัพพิงหนึ่งทัพพีหรือทัพพีหนึ่งก็ได้ตัศ ภิขุโนนะถ้าโยกมานะตัดสะแก่ภิกษุรูปนั้นถ้าจะโยกมาก็เป็นตัดสะภพิกุโนพิคุศาก็ได้เหมือนกันโสพิคุภิกษุรูปนั้นปฏิฆะเหตตวาปฏิฆะเหตตวารับแล้วตังพิขังซึ่งพิกษานั้น ปฏเตณปฏเตณด้วยบาทด้วยบา ท, บาทอ้าวแล้วแปลว่าอะไรล่ะปฏิโอเคถาวาแปลว่ารับกะเทติย่อมกราวกะถังซึ่งถ้อยคำสัมโมทนียังอันยังจิตให้เบิกบาน ตัดสาอุปาสิกายะถ้าจะยกก็ยกอุปาสิกายะแก่อุบาสิกานั้นสาต้องสานี่ยังโยกอุบาสิกาถ้าไม่โยกมาเดี๋ยวจะกลายเป็นหมาอีกนะสาอุปาสิกาอุบาสิกานั้นปาโมชจิตามีจิตปาโมชแล้วกังโรติย่อมกระทํา สาธุการรังซึ่งสาธุการติกขัดตุงสาธุสาธุติว่าอว่าสาธุสาธุอ่าเนี่ยยอมถามแล้วสามครั้งทําไมมีแค่สองเองเนี่ยสาธุสาธุทำไมไม่เป็นสาธุสาธุสาธุติใช่ไหมให้มันเป็นสามไปเลยก็สาธุนั่นแหละเท่าสนธิมันเป็นสาธุเฉย ที่ว่าสาธุเนี่ยนะในที่นี้ท่านใช้ว่าสาธุแค่สองสาธุแต่คำขยายเป็นติขตุงสามครั้งให้เข้าใจว่าสํานวนเป็นอย่างนี้3ครั้งนี่แหละจริงๆก็จะพูดสามครั้งนั่นแหละแต่ว่าย่ อ, อพูดเอาเพื่อให้รู้ว่าสามครั้งสาธุสาธุนี่แหละให้รู้ว่าสามครั้งสา ธ, สาธาสาุสามครั้งเหรออะไรก็ตามให้กล่าว3ามครั้งเนี่ยเพื่อยืนยันความตั้งใจว่า ที่พูดครั้งแรกไม่ใช่หลงพูดพูดครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่หลงพูดเดินเดินเดินไปอาจจะหลงพูดได้สาทุเราพูดผิดนี่นาพูดใหม่ถ้าพูดครั้งที่2ยังสาธุอีกก็เพื่อจะยืนยันว่าครั้งแรกน่ยไม่ได้หลงพูดส่วนพูดครั้งที่3เนี่ยเป็นการย้ําให้ได้ชัดเจนว่าทั้งสองครั้งเนี่ยไม่ได้พูดผิดดังนั้นถ้า3มครั้งพูดไม่ตรงกันนั้นแสดงว่าใช้ไม่ได้ ไม่ไม่นิยมสัมนวนบาลีท่านเป็นอย่างนั้นโวหารสัมนวนโวหารเป็นอย่างนั้นที่ว่าสามครั้งเนี่ยเพื่อจะให้เข้าใจว่าการว่านั้นน่ยไม่ได้หลงผิดคิดผิดแล้วก็ว่าไปว่าจริงๆก็เหมือนถึงพระรัตนตรัยก็ต้องว่าสมครั้งพุทธทางธรรมังสังคังครั้งที่หนึ่งพุทธทางธรรมังสังคังครั้งที่สองพุทธทางธรรมังสังคังครั้งที่สามนโมก็เหมือนกันต้องว่านโมสามจบไม่ว่าครั้งเดียว เพื่อเป็นยืนเป็นการยืนยันความตั้งใจว่าเนี่ยตั้งใจทําอย่างนั้นตั้งใจว่าอย่างนั้นแต่เราว่าถึงสามครั้งก็ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรเ <c oughs> ขาพาว่า <c oughs> มีจิตเลื่อมใสแล้วอ๋อถ้าแปลเป็นคาพูดก็บอกว่าวันหนึ่งอุบาสิกาคนหนึ่งเห็นภิกษุผู้มีเห็นภิกษุปฏิบัติดีมีจิตเลื่อมใสจึงได้ถวายภิกษาน ห, หนึ่งทัพีแก่ท่าน ภิกษุนั้นรับภิกษาด้วยบาทแล้วกล่าวสัมโมทนียกถาแก่เธออออยมจะจดเล ย, เ, ลยเธอทีเนี้ยสาเนี่ยไม่ต้องนั้นอีกแล้วสาเธอเธอมีจิตปราโมทแล้วจึงกล่าวสาธุการสามครั้งว่าสาทุสาทุาอา้าวกระทําซึ่งสาธุการใช่กระทําซึ่งสาธุการ ก็เหมือนกันกับอะไรนะละว่านโมอ่ะท่นธรรมยังพุทธัสสะขว่ตโตปุพพาระานมะกะหารังกะโรมะเสนะทำไมถึงเป็นกะโรมะล่ะเราจะมามาทำการไหว้พระพุทธเจ้าในเบื้องต้นก่อนไม่ได้บอกว่ากล่าวบอกว่าเหมือนกันทีนี้การกล่าวสาธุเนี่ยว่าให ให้ให้ได้ยินชัดเจนเวลาเราจะว่าสาธุอย่าว่าอยู่ในลําคออย่าว่าอยู่ในใจว่าออกมาให้ได้ยินเพราะว่าคําว่าสาธุเนี่ยนะท่านบอกว่าคนพูดเนี่ยพูดด้วยจิตเบิกบานนะคนจะกล่าวสาธุเนี่ยจะกล่าวด้วยจิตเบิกบานเมื่อกล่าวแล้วเนี่ยคนฟังนะก็มีจิตเบิกบานด้วย แต่ถ้าว่าอยู่ในใจสาธุอยู่ในใจก็เบิกบานคนเดียวคนอื่นไม่เบิกบานตัวเองก็ได้เต็มที่แหละแต่ว่าบุญมันมั น, ม น, ม น, มนไม่ไม่ขยายกว้างออกไปว่าให้ได้ยินด้วยอันนี้สง่าสาธุปากหอมใช่ไหมงั้นใครว่าสาธุบ่อยๆต่อไปก็ไม่ต้องแปลงฟันก็เรื่องเรื่องพระสนมพระเจ้าบเสสนิโกสลน่ย เคยฟังแล้วใช่ไหมสนมของพระเจ้าเกษตรที่โกศลอะไรไเคยฟังบ้างเลยเลยเขาเล่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองน่วันหนึ่งพระสนมสั่งให้เก็บดอกบัวในสระในเขตพระราชอุทยานมาแจกพระเทวีพระสนมเพราะวันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษกวันนักสัตว์ที่จะต้องมาเส้นไหว้ไหวเทวดาไหว อะไรต่อแะต่างๆในแท่นบูชาพระเจ้าปเสนก็ให้แจกดอกบัวใส่มือพระสนมพระเจ้าปเสนมีพระสนมเยอะนะเป็นร้อยเลยเพราะพระเจ้าปเสนมีพฤติกรรมอยู่อย่างหนึ่งไปไหนมาไหนก็จะสอดสอดอะไรนะสอดสองสายสอดสายสายตามองหาหญิงมองหาถ้าหญิงไหนต้องใจอย่าไปถามว่าลูกใครภรรยาใครรับสั่งให้นาตัวเข้าทันที ก็วันหนึ่งก็ออกไปตรวจพระนครหญิงหนึ่งเขามีสามีแล้วอ่ะสามีก็สั่งว่านี่เธอเขาลือกันนะว่าพระเจ้าประเสริฐที่โศลต้องตาใครเนี่ยจะขอตัวไปเลยเธอก็หน้าตาดีในขณะที่พระเจ้าประเสริฐเสด็จผ่านเนี่ยห้ามส่องหน้าต่างเด็ดขาดให้เสด็จผ่านเลยไปแล้วค่อยเปิดหน้าต่างดู สามีอุตสาหสั่งไว้แล้แต่ภรรยาไม่ใช่ยิ่งสามีสั่งไว้อย่างนั้นยิ่งอยากจะเห็นหน้าพระเจ้าประเสนว่าหล่อเหลาขนาดไหนถึงมีพระสนมมากมายพอบอกขอบวนสเสด็จผ่านมาแล้วทนไม่ไหวค่อยๆแง้มหน้าต่างของนิดเดียวแล้วก็ส่องดูเท่านั้นแหละจังหวะเดียวกับพระเจ้าประเสนที่ศที่โกศลมองไปเจอพอดีเลยแล้วเห็นหน้าซีกเดียวเนี่ยโอ้สวย ถ้าเห็นทั้งหมดอาจจะไม่สวยเท่าไรเห็นมาเห็นมาสิเดียวสวยรีบสั่งเลยสั่งกันเลยนะั่นหญิงบ้านนั้นบ้านนั้นลูกใครอมมาตก็กราบทูลว่าหญิงนั้นมีสามีแล้วพระเจ้าค่ะเฮ้ยสามีก็จะเป็นอะไรไปล่ะเจ้าก็วางแผนเอามาให้ได้สินั่นแหละก็เลยวางแผนให้สามีเขาไปเอาดินสีอรุณนู่นน่ะป่าหิมาไหลโน่นน่ะนะปาหิมาพานนั่นนะ่ะมา โดยผู้ง่ายว่าจะฆ่าสามีแต่ว่าไม่มีอุบายอื่นชาวโลกเขาจะตําหนิได้ก็เลยหลอกให้ไปถูกพญานาคฆ่าให้ตายแล้วเขายึดภรรยามาอย่างนี้เป็นต้นเรื่องนี้ก็เหมือนกันพระเจ้าเปเสนติโกศลเนี่ยไปได้หญิงสาวคนหนึ่งมาหญิงสาวที่เขามีคู่มั่นหมายแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานมาเป็นพระสนมคนสุดท้ายเมื่อเวลาแจกดอกบัวไปแล้วพระสนมคนนั้นเนี่ย ก็เลยได้ดอกบัวไปแล้วเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องให้เหมือนคนเป็นบ้าเสียสติพระเจ้าประเซนได้ยินเข้าก็เลยรับสั่งเข้าหาถามว่าเธอเป็นอะไรวันผู้คนล้นหลามอย่างนีนะ้เธอเป็นอะไรไม่อายเขาหรือหรือว่าเสียสติเป็นบ้าไปแล้วหญิงนั้นก็เลยกราบทูลความจริงว่าที่เห็นดอกบัวนี้แล้วหัวเราะเนี่ยเพราะว่า คิดถึงเรื่องดีๆในชีวิตที่ผ่านมามีแฟนอยู่คนหนึ่งยังไม่ได้แต่งงานแฟนคนนี้มีกลิ่นปากหอมเหมือนเกสรดอกบัวที่ถืออยู่นี้เลยอ้าวแล้วเธอร้องให้ทำไมละ่ะดีขนาดนั้นแล้วร้องให้ทำไมร้องให้ตรงที่ว่าไม่ทันได้แต่งงานก็ถูกพระองค์นาตัวมาอยู่ในวังแล้วเสียใจพระเจ้าเปรเสีติดใจอยู่คำหนึ่งว่า คนมีกลิ่นปลาหอมมีแฟนคนหนึ่งกลิ่นปลาหอมถามว่าตอนนี้แฟนเธออยู่ที่ไหนบอกว่าบวชเป็นภิกษุอยู่ในวัดพระเจ้าประเสริฐที่โกศลรู้ว่าเป็นองค์ไหนองค์ไหนไหนแล้วก็ไปนิมนต์พระมาฉันในเขตในในราชวังทั้งหมดเลยเพราะฉันเสร็จนิมนต์ภิกษุรูปนี้อยู่กล่าวสัมโมทไนยกถาก่อนรูปที่เหลือนิมนต์กลับก่อนเถิดข้ารับพระกลับหมดเลยเหลือภิกษุรูปนี้รูปเดียว ลกที่เป็นแฟนผระสนมเนี่ยพระเจ้าบทเสนที่โกศลรีบให้ปิดประตูหน้าต่างกินดอกไม้ดอกวันนั้นไม่ให้จัดดอกไม้ทุกอย่างในในในราชวังใช่จะพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่าปิดประตูหน้าต่างหมดเลยนําดอกไม้ทุกอย่างออกนอกวังให้คนมาพิสูจน์กันแล้วไม่มีกลิ่นอะไรแน่แล้ะกลิ่นทูบกลิ่นเทียนก็ไม่มีพอได้เวลาพิสูจน์รูปนั้นอ้าปากจะกล่าวสัมโมทนียกถาเท่านั้นแหะ กลิ่นดอกปทุมตลบอบอวนไปทั่วราชมียลเลยพระเจ้าก็พระเจาประเสณได้กลิ่นนี้เข้าอูเป็นไปได้อย่างไรนี่เป็นจริงๆเป็นไปได้จริงๆก็นั่งทนฟังจนจบตกเย็นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูนถามว่าคนมีกลิ่นปากหอมได่มีด้วยหรือพระเจ้าคะพระเจ้าบอกว่าพระองค์เห็นแล้วไม่ใช่หรือก็เลยอยากจะรู้ว่าทาบุญอะไรไว พระเจ้าเลตรัสอดีตของพิสูรรุ่มนั้นว่าอดีตชาติผ่านมาโนุษย์ในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกลบุตรพูดง่ายว่ามีหนุ่มบ้านนอกคนหนึ่งเดินทางมาในเมืองด้วยกิจอย่างหนึ่งเวลานั้นพระพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกําลังแสดงธรรมอยู่เมื่อเขาได้ยินเสียงธรรมะนั้นก็มีจิตเลื่อมใสไม่รู้จะบูชา พระพุทธเจ้าบูชาธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงได้ด้วยอะไรจึงได้นําดอกบัวหนึ่งกำ ม, มือไปน้อมถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวสาธุตอนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบพอดีเอวังก็มีด้วยประการละช น, นี้ทัดแบบไทยนะนั่นแหละแล้วก็สาธุสาธุสาธุสามครั้งดังคนอื่นหันมามองเลยอุ้ยใครมาสาธุสาธุดังลั่นอยู่ข้างหลังนี่ แล้วก็ยกดอกบัวขึ้นน้อมถวายพระพุทธเจ้าเท่านี้แหละด้วยอา น, นิสงส์ที่กล่าวสาธุสามครั้งดังๆนี่แหละเกิดมาชาตินี้เลยกลิ่นป่าหอมเหมือนเกสรดอกบัวงั้นไปนี่สาธุทั้งวันเลยใครทำอะไรสาธุสาธุให้ได้ยินทั่ว <c oughs> ทั้งเดียวเองอะ่ะ <c oughs> สองครั้งเองอะ่ะโอย จะหอมกระปิดกะปอยอะไรแบบนั้นพิกขังมาจากคําว่าพิกขาพิกคุงกับพิกขังเขละคำกันพิกขุงนั้นพิกษูพิกขังนั้นพิกษาทําไมเลยก็มีสถียรแตกต่างกันอยู่เนี่ยอ้อมกวิพัตตาธรรมดานี่เอ้ยเนี่ยอังทุติยัพัตธรรมดานี่เองทั้งพิกคุงพิกขังอังอังพิกษาพิกษาภาษาไทยเป็นพักษา ก็ต้องพิกขู่สิพิกสูก็ต้องพิกขู่สิอาหารกับพิกสาพิกขู่พิกขามคนสละคนละสละกันไม่เหมือนนี่ไงพิกขู่มมีสารอุพิกขาพิกขาที่มันเป็นอังเหมือนกันเนี่ยเพราะมันลงอังทุยยาพัดเป็นคมเหมือนกันถ้าพิกสูเนี่ยสับเดิมเป็นพิกขุถ้าพิคขังเนี่ยสับเดิมเป็นพิกขาเป็นอิถิลิงอ่า แต่มันลงอังธุรยายพัดก็เลยมีเป็นเป็นเหตุ น, หนี้คหิตเหมือนกันแต่ว่ามันอ่านไม่เหมือนกันนะพิกขังพิกขุงไม่เหมือนกันใช่มันลงอังธุริยายพัดเลยเป็นพิกขังไม่เหมือนกันคนละตัวต่อไปข้อ11เทวีเงรัโยปางรูปนังำสะตะสาสสักขีสตัสะตัสาหาสักขนิคัง รัตตกรรมพลังปางรูปปิตตานิสินนากรยญญาสติงสมุละปามานางรัญโยอังคุริโตสตาศาสักนิกังราชมุทิกังนีหังริตตวาอัตโนโอังคุริยังปิหลันทติเรื่องต่อจากนู่นอะต่อจากหน้าหกิสี่ข้อสิบสี่เอามาต่อข้อเ น, นี้ต่อไปว่าแปลมาแล้วมันคนมันคนละตอนกันแต่ว่าเป็นเรื่องเดียวกันอา้าวไปไหนอะ่ะ จะไปมาตาเปติที่ไหนอ่ะอู๊บนามาบอกหน้าหกสิบสีไม่ต้องเปิดเนี่ยมันหน้าซ้ายมือเนี่ยเทวีเป็นประธานเทวีก็แปลว่าพระเทวีประโยคนี้ทั้งทั้งข้อเนี่ยประโยคเดียวเองนะเทวีเป็นประธานปีรันทติเป็นกริยาเป็นประโยคเดียวทั้งหมดเทวีพระเทวี หากิริยาในระหว่างที่ลงด้วยตวาตวานี่แหละ ừ. ปารูปิดตวาแปลว่าห่มแล้วแปลว่าหม่มราชาสับว่าไงหม่มอะทรงใช่ไหมทรงก็ไม่รู้อัอนทรงอันไหนกันนะปารูปิดตวาห่มแล้วรัตตะกรรมพลังซึ่งผ้ากำพลแดงรัตตะเนี่ยเป็นสีแปลว่าสีแดงกำพลังก็แปลทับสับว่าผ้ากำพล อ, อันนั่นแหละผ้ากมยีผ้ากมหดีสีแดงนี่แหละสตตะศาสักนิกังอันมีราคาหนึ่งแสผืนนั้นซื้อมาด้วยราคาหนึ่งแสกระหาปณะนะปางรูปปนังอันเป็นผ้าหม่มอันเป็นผ้าหม่มรันโยของพระราชาพระเทวีนี่ ก็คือแม่ของพระเจ้าอุเทนน่ะนะก่อนที่จะถูกนกหัดสดีลิงจับไปนั่งหยอกล้อกับพระเจ้าปรันตปะอยู่แล้วก็ดึงอผ้าห่มของพระราชามาห่มตัวเองถอดเอาพระธรรมรงค์จากพระหัตของพระราชามาสวมหัตตัวเองไงนกหัดสดีลิงเห็นสีแดงหรือว่าก้อนเนื้อใหญ่เลยมาเอากรงเล็บตบปะปบขยุม่ม เหาขึ้นไปบนท้องฟ้าต่อไปพอหอมแล้วทําไงนิสินนานั่งแล้วหอมเสร็จแล้วก็นั่งพิงแดดอยู่ตรงนั้นแหละสมุนลปามานาเป็นวิเศษณนะ์เทวีเป็นอา เ, อเป็นเป็นอิถิลิงสมุนลปามานาสนธนาปราศัยอยู่หอกล้อต่อกศิษย์สมุนลปามานาสนธนาอยู่สัตว์ทิงกับ สัทิงกับรัญญาด้วยพระราชา น, น, นั่งสนทนาอยู่กับพระราชานั่นเองนะแล้วก็ไปอีกบรรทัดหนึ่งนีฮังฤิตตวานําออกแล้วก็แปลว่าถอดออกแล้วนีฮังฤตตวาถอดออกแล้วราชามุทิกังซึ่งพระธรรมรงซึ่งพระธรรมรงค์ พระธรรมรงก็คือพระแหวนซึ่งพระธรรมรงมุตทิกะเ น, นี่ยแปลว่าแหวนราชาก็ของพระราชามุตทิก ะ, ปะแปลว่าแหวนนะสะัตตสหัสสกิกังอันมี ร, ราคาหนึ่งแสนกระหาปณะนะผ้ากำพลแดงก็ราคาหนึ่งแสพระธรรมรงก็ราคาหนึ่งแสนอีกเหมือนกันอังคุลิโตจากนิ้วพระหัต อังคุลีโตโตแปลว่าจากอังคุลีแปลว่านิ้วจากนิ้วจากข้อประหัตเนินนะจากนิ้วประหัตรันโยของพระราชาถอดแหวนราคาหนึ่งพันออกจากนิ้วของพระราชาปิลันทิย่อมประดับปิลันทิแปลว่าประดับแปลว่าสวมปิลันทิย่อมประดับย่อมสวม อังคุลิยังที่นิ้วที่นิ้วที่นิ้วพหัสอัตโนของตนเทวีพระเทวีปางรูปปิดตวัวห่มแล้วรัตตะกรรมพลังซึ่งผ้ากำพลแดงสะตะสหัสสักนิกันมีราคาหนึ่งแสนกะหาปณะนะ ปางรุปนังอันเป็นผ้าหม่มรัญโยของพระราชานิสินนานั่งแล้วสมุลละปะมามนาสนทนาอยู่สัตทิงกับกรัญญาด้วยพระราชามีหังฤตวาถอดออกแล้วราชมุทิกังซึ่งพระธรรมรง สตัสหัศสสักข์นิกังอันมีราคาหนึ่งแสนกหาปณะนะอังคุลิโตจากนิ้วพระหัตรรันโยของพระราชาปิรันทิย่อมประดับอังคุลิโตอังคุลิยังซึ่งไม่ใช่ซึ่งในใน ท, ที่ที่อังคุลิยังที่นิ้วพระหัตตโนของตน <c oughs> ของพระนางสตะ100สหนึ่ง้อสัสะหนึ่งพอัคคณะแปลว่าราคาอีกะแปลว่ามีอัคคณะเนี่ยแปลว่าราคาถ้าอยากจะไปถามแม่ค้าครับเวลาไปซื้อของอันนี้ราคาเท่าไหร่จ้าแม่คา้าใช้คำนี้ได้ถามว่าราคาเท่าไหร่ก็ใช้กติเป็นคำถามว่าเท่าไหร่ อคคณิกังแปลว่ามีราคากติอคคณิกังมีราคาเท่าไรหรือถามสั้นว่ากติมูลังราคาเท่าไรมมลังก็มูลค่าราคาอคิกังไม่ใช่อคคณิกังอักไม่ใช่อังอั ก, อกคะในะแปลว่าราคาได้ถ้าถามถึงของหลายอย่างพร้อมกันถามได้เป็นหูพ์ได้ กติสัตว์เนี่ยถ้าวายคอนบาลีสนามหลวงเขาบอกเป็นเอกพภพเท่านั้น mm hmm. แต่วยากรณ์ใหญ่เป็นทั้งเอกภพและพวกหูภพ mm hmm. พ่อมีกตีหีกตีพี่มีตัวต mm ัวมีนี่อยู่กับอิกะใช่ไหมครับอะไร mm hmm. ะมีอยู่ที่อิกะ mm hmm. อัคคอัคคณะแปลว่าราคา mm hmm. เทวีเทวีเป็นประธานตัวเดียวหมดเลยทั้งประโยชน์มีประธานเดียวพระเทวีตอนเนี้นะ กิริยาของพระเทวีให้ดูนะกิริยาตัวแรกคือปาลุพิตตวาแปลว่าหม่มกิริยาตัวที่2คือนิสนิสินนาแปลว่านั่งกิริยาที่สามสมุนละปะมานาแปลว่าสนทนากิริยาที่4คือนีหังลิตตวาถอดออกและกิริยาที่หคุ้มภาคด้วยอคติว่าปีรันทติสวมอ่าใช่ถอดแหวนออกจากนิ้วของพระราชาแล้วมาสวมที่นิ้วของตัวเอง ก็คือไม่ใช่พระราชาเป็นคนถอดพระเทวีนั่นแหละเป็นคนถอดไม่ทันตัวไหนถามข้างหลังนะ่ะมีแต่ก้มหน้าก้มตาเขียนอย่างเดียวไม่พูดไม่จา่าต่อไปข้อ 12. สิบสองสกลังปิหิเตปปิตกังพุทธวจนังอาหังริตวกัถยมานังอัปปามาทัเมวโอตัณระทิประธานก็คือพุทธวจนง พุทธวจนะเป็นประธานสกลังกับเตปิตกังเป็นตัวขยายของพุทธวจนังดูนะพุทธวจนังพระพุทธพจน์พระพุทธพจน์เตปิตกังคือพระไตรปิฎกคือพระไตรปิฎกสกลังปิแม้ทั้งสิ้นหตนี่จะแปลหรือไม่แปลก็ได้ ถหตจะแปลก็คือยืนยันรับรองว่าจริงอยู่หตจริงอยู่พระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกแม้ทั้งสิ้นก็คือทั้ง8ปดหมพพระธรรมขันธ์นี่แหละอาหังริตตวากัถยมานังอันบัณฑิตนำมาแล้วกล่าวอยู่แปลรวบอาหังริตวานำมาแล้วกัถยมานังกล่าวอยู่โอตัณกระติ ย่อมรวมลงย่อมย่อนลงย่อมลงหมดลงได้นะนะโอตรติไปว่าย่อมรวมลงอัปปมาทเมวะตัดสนที่เป็นอัปปมาทางบวกเอวะอัปปมาทางเอวะแปลว่าสู่ความไม่ประมาทนั่นเทียวสู่ความไม่ประมาททั้งนั้น พระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกแม้ทั้งสิ้นที่บัณฑิตท่านนำมากล่าวอยู่เนี่ยนะรวมเข้าแล้วสรุปลงเป็นความไม่ประมาททั้งหมดรวมลงสู่ความไม่ประมาททั้งนั้นโอตะระติแปลว่ารวมลงรวมลงหย่อนลงย่างลงตังระในแปลว่าข้ามโอมาจากอวะแปลว่าลงแปลว่าภายใต้ข้างล่าง ข้ามลงถ้าเขาจะแปลตระธาต์แปลว่าข้ามตระตระเตตระตระเนในการข้ามโอเนมาจากอาวะอุปศรกนะอวะเนแปลว่าลงข้างล่างข้ามลงอ่ะข้ามลงคือข้ามอย่างอื่นทั้งหมดแล้วก็ไปลงสู่ความไม่ประมาทก็เลยแปลว่าโดยแปลวความว่ารวมลงประชุมลงท่านอุปมาเหมือน สัตว์ทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายในป่าย่อมรวมลงในรอยเท้าของช้างคือช้างมันเท้าใหญ่ที่สุดสัตว์ไหนก็เหยียบลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมดเลยต่อไปข้อ13ชีวโกโกมางรพจพหุงมาลาคันธวิเลปะนะมาทายะอัมภวณังคัชติมีสนที่ตรงมาลาคันธวิเลปะนะมาทายะนี่แหละ เป็นวิเลปนังบวกอาทายะวิเลปนังตั้งแต่มาลาถึงวิเลปนังหนึ่งศัพท์อาทายะอีกหนึ่งศัพท์เวลาทําสนธิแล้วเอานิหิตที่นังเป็นมะนะมานังอาจึงเป็นนะมาใครยังไม่รู้จักหมอชีวกมึงรู้จักหมอชีวกไหมเรื่องหมอชีวกอะใครรู้จักหมอ หมอประจำพระพุทธเจ้าหมอที่ถวายการรักษาพระพุทธเจ้าด้วยภิกษุทั้งหลายด้วยจนสร้างโรงพยาบาลขึ้นในสมัยของพระเจ้าพิมพิสารที่เมืองราชคืนในสมัยนั้นหมอชีวกเนะี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังนะจนเห็นว่าภิกษุทั้งหลายมีความลำบากหลา ย, ยาเรื่องในเพจสัชักขันา ก, การใไปอ่านเถอะเรื่องหมอชีวกเนะี่ย ยาวเหยียดเลยหมอชีวกมีคุณสมบัติเด่นอยู่สามข้อเรื่องเรียนเลยหนึ่งอาจารย์สอนอะไรจำทุกอย่างสองอาจารย์สอนอะไรจำได้แล้วนำมาสาธยายทุกวันไม่เคยขาดแล้วก็สาทดลองทดลองว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอย่างเช่น ไปเรียนเรื่องสูตรยาท่องจำสูตรได้แล้วนำมาท่องกันลืมเอาไว้แล้วก็ไปหายามาทดลองดูว่ารักษาได้จริงไหมสามลักษณะเด่นของหมอชีวกที่แน่คือจำทุกอย่างที่อาจารย์สอนอหมอชีวกเลยไม่ไม่แน่ใจแล้วก็สร้างโรงพยาบาลไว้ที่เมืองราชเคือตรงทางลงจากภูเขาพิชกูดค่อนจะถึงราชคือเนี่ย จะมีโรงพยาบาลหมอชีวกอยู่จนนักบวชลัทธินอกศาสนาเห็นว่าถ้าใครบวชเป็นพิสูจนในพระพุทธศาสนาเนี่ยได้รักษาโรคฟรีก็พากันปร้อมมาบวชบวชแล้วไปรักษาโรครักษาโรคหายแล้วกลับไปเข้าลัทธิเดิม mm hmm. <laughs> มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนหมอชีวกต้องเก็บข้างรักษา <laughs> ดูนะตัวอย่างประโยคนี้ชีวโก หมอชีวกโกมางระพัจโจนี้เป็นนามสกุลหมายถึงว่าเป็นคุณสมบัติเด่นเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะพระเจ้าอุทัยเนี่ยนะเลี้ยงเอาไว้ไปเก็บมาเลี้ยงเพราะแม่คลอดแล้วเอาไปทิ้งพระเจ้าอุทัยเก็บมาเลี้ยงเอาไว้โกมางระเนี่ยมาจากคําว่ากุมางระแปลว่าราชากุมารพัจโจเนี่ยแปลว่าถูกเลี้ยงนะถูกพระราชากุมารเลี้ยงเอาไว้ เลยใช้เป็นนามสกุลเลยหมอชีโวโกโกมาระพัฒนเนี่ยกุเป็นโกอุเป็นโอพัฒโจมาจากพระธาตุพระพระเนในการเลี้ยงลงในยะปัจจัยแล้วก็อ๋อนะมาจากต่อประตพัฒตะแปลว่าราชการพัฒตะแปลว่าราชการก็คือแปลว่าพระราชาเลี้ยงดูเหมือนกันพระราชาให้อะไรนะแปลวาชาเลี้ยง ให้เงินเดือนให้ค่าใช้จ่ายมไม่ก็ไม่เรียกอุปธรรมนะเป็นพระราชาเลี้ยงไว้พระราชาเลี้ยงไว้ใช้งาน น, นี้ก็โกมาลพัฒจะก็เหมือนกันแต่ว่าลงปัจจัยคนละตัว น, นั่นเป็นพัะตตะ์อันนี้เป็นพัฒจะต่อไปอาทายะเป็นกิริยานงระหว่างอาทายะนี้ก็เหมือนกับตวาเหมือนกันแต่บังเอิญว่าตัวธาตุเนี่ยมันเป็นธาตุที่ลงท้ายด้วยสระอาตวา่าปัจจัยยิงกลายรูปไปเป็นยะ ถ้าทาธาตุลงตวาเนี่ยมันก็มีรูปเป็นทายะได้ไม่เป็นทายะก็เป็นทัตตวาได้เหมือนกันอาทายะนี่แปลว่าถือเอาแล้วถ้าทาแปลว่าให้ถ้ามีออยู่ข้างหน้าแปลว่าเอาใช่ไหมอาทานะแปลว่าเอาอาทายะถือเอาแล้วมาลาคันทะวิเลปนังซึ่งดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไร้มาลาดอกไม้ที่ หรือยังไม่จัดก็ช่างคันธะของหอมก็ไม่ว่าจะเป็นน้าหอมทูบหอมดินสีที่ออกกลิ่นหอมเพราะเขาไปไปเวลาไปบูชาไปอะไรนั่นนะแล้วก็วิเลปนานะเนี่ยเครื่องทาเครื่องรูปไล่เครื่องไล้ทาเครื่องทาผิวเครื่องบะทินผิวถือแล้วไปไหนคัตชติย่อมไปอัมพวนังสู่วัดอัมพวันวัดอัมพวันนี้ใครสร้าง อัมพวันนี้แปลว่าอะไรอ่าสวนมะม่วงสวนมะม่วงวัดสวนมะม่วงพระหงอ๋อลืมไปพระหงขยายมาลาคันทัวิเลปนังจํานวนมากอาทายะถือเอาแล้วมาลาคันทัวีเลย์ปะนังซึ่งดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไร้เป็นจํานวนมากพระหงอ่ะพระหงเป็นจํานวนมากขจฉติย่อมไปอัมพว น, นังสู่วัดอัมพวัน หมอชีวกนี่แหละเอาไปบูชาพระอ๋อเครื่องรูปไล้เนี่ยถ้าเครื่องรูปไล้แบบชาวบ้านเขาเรียกว่าเครื่องประเทียงอะไรเครื่องประเทืองผิวใช่ไหมเครื่องประทินผิวใช่ปะเทืองนะเครื่องประทินผิวถ้าถวายพระเนี่ยจะเป็นพวกเพสัตชเช่นยาแก้คันยาทาโรคผิวหนังยาฆ่าเชื้อต่างๆเพราะหมอชีวกเป็นหมออยู่แล้ว คันท่าในของหอมของหอมเนี่ยนิยมนำไปบูชาแป้งหอมหรือไม่ก็แก่นจันผงจันเพราะคนอินเดียในเขานิยมทาผงจันตัวดำๆนะทำไมทาผงจันกันไม่รู้ผงจันสีเหลืองชิวโกโกมาราพัทโจหมอชิวโกมาราพัทเวลาเขาแปลเขาจะแปลว่าผู้โกมาราพัผู้อันพระราราชกุมาร ชีวโกหมอชีวโกมารกระพัชโจผู้อันพันรา ช, ชกุมารเลี้ยงดูแล้วมันก็เลยจะกลายไปว่าตอนนั้นยังเลี้ยงดูอยู่ไม่ใช่เขาก็เลยแปลเปน็นนามสกุลเลยว่าหมอชีวโกมารกระพัดอาทายะถือเอาแล้วมาลาคันทะวิเลพนังซึ่งดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไลยผหุงจํานวนมากคัดฉะติย่อมไปอัมพวนังสู่วัดอัมพวัน หมอชีวโกโกมารพัฒนถือเอาของหอมดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้จํานวนมากไปสู่วัดอัมพวันไม่เป็นอายะเป็นยะเฉยเป็นยะนี่ในกรณีที่ท่านลงท้ายด้วยเสาะอาเท่านั้นถ้าท่านลงท้ายด้วยอย่างอื่นก็ทำอย่างอื่นไปได้ถ้าไม่แปลงก็รักษะข้างหน้าได้ทาเป็นทัดอย่างนี้นนต่อไปข้อสิบสี่เป็นคาถา มาตาเปติพังกรังชันตุงกุเลเชิดาปจายินังสันหังสกิลสัมภาสังเปสุเนยปหายินังมัดเฉงระวินเยยุตังสัจจังโกธาพิพุงนั่กรังตังเวเทวาตาวติงสาอาหุสัพปุงริโสอิติคาถานี้ดีนะใครท่องได้นี่โอ้เกิดเป็นเทวดา อ๋อไม่เป็นเทวดาจะาบทคิเลศไม่เป็นเทวดาอ๋ออ่านเหมือนที่พู้เจ้าตรัสเมื่อโน้นเลยไม่รู้ว่าพู้เจ้าตรัส ด, ด้วยทำนองอะไรอ๋อเดี๋ยวนี้แล้วแต่คนจะอ่านน่ะแล้วแต่คนจะชอบคนชอบสา ร, รพันก็นว่าสา ร, รพันถ้าแบบสไตล์อาตมาไม่เป็นสา ร, รพันน่ะอาตมาก็แบบสไตล์อาตมาถ้าของอาตมาก็จะส่วในให้ฟังนะมาตาเปตีพังกรังชันตุงกุเลเชทาปัจจา ย, ยนัง สันหังสกิลาสัมภสังเปสุเนยปหาญนังมาเชงราวินเยยุตังสัจจังโกธาพิพุงนั่งรังตังเวเทวาตาวาติงสาอาหุสัปุริโสอิตอวิว่าธรรมด า, าสารพัญญาไม่เคยสวยดคาถานี้ไม่เคยสวยดเป็นสรพัญญะว่าสวดไปมันก็จะมั่วๆไปได้อยู่อะ มาตาเปตีผารังชันตุงอะไรออย่าว่าอะไรดีกว่ า, าวมันจะเสียพุทธพน์อ้าวดูต่อนะมาแปลก่อนดีกว่าคาถานี้เนี่ยเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันครั้งหนึ่งเจ้าวิชวีนามว่ามหาลิในแคว้นวัชีที่ขับไล่ เสนาบดีพันธุละออกจากเมืองนั่นแหละกลุ่มเนี้ยไม่เคยอีกแล้ว <c oughs> พูดถึงเรื่องอะไรไม่เคยฟังเลยนะเออใช่นะมเคยเล่าแล้วก็พระเจ้าประเสริฐที่โกศล น, นี่แหละเป็นสหายในสมัยไปเรียนตะกศิลาเรียนวิชาเรียนวิชาจอมยุทธวิชานักรบพอกลับมาที่ แควนวัดชีพวกเจ้าลิชวีทั้งหลายเนี่ยเสนาพันธุระแอบพันธุระเนี่ยนะเรียนเก่งที่สุดในบรรดานักเรียนรุ่นเดียวกันเพราะเป็นคนที่มีร่างกายใหญ่กำำํายํามีกําลังแข็งแรงมากเจ้าิชวีทั้งหลายก็กลัวว่าเสน า, าพันธุระเนี่ยจะมีชื่อเสียงปรากฏกว่าตัวเองเพราะตัวเองเป็นเชื้อเจ้าแต่ว่าขี้เกียจเรียนเล่นๆเพลินๆไปพอได้จบมาอย่างนั้นเองไม่มีความสามารถ พอมาถึงเลยก็เลยจะหาเรื่องกันแก้งว่าพันธุระเนี่ยไม่ได้เก่งกาดอะไรเลยก็แค่นี้แหละเป็นอยู่แค่นี้เองวันหนึ่งก็เลยไปโฆษณาว่าพันธุระเสนาโบดีเนี่ยเก่งอยนั่นอนย่างนี้ น, น, นี่สามารถฟันไม้ไผ่หกสิบมัดมัดละหกสิบลำให้ขาดฉับเดียวได้เลยสุดท้ายญาติญาตทั้งหลายก็เอออยากจะเห็นอยากจะเห็นโช้นอยโช้นอยเจา้าฤทธิ์สวีก็เลยไปยุวย่าโชเถนาเถนะ เราเรียนเก่งมาขนาดนี้ต้องอวดหน่อยให้คนเขาได้รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าเราเก่งเสร็จแล้วก็ให้จัดหาไม้ไผ่มาหกสิบลำลำละหกสิบอ่ะหกสิบมัดมัดละหกสิบลำกี่ลำอ่านั่นแหละประมาณนั้นแหละ ม, มามัดตั้งโค้ใหญ่เหมือนกันนะคงจะเท่ากุฏิคณะยี่สิบห้านี่เลยแต่ว่าสั่งให้แอบสอดเหล็กเส้นใส่ในช่องของไม้ไผ่ทุกลำเลย ใช่ขี้โกงถึงวันทดลองชาวบ้านชาวเมืองแห่แหนกันมาโอ้ยอยากจะเห็นข่าวออกไปว่าพันธุระจะแสดงฝีมือฟันไม้ไผ่สามพันลำนี่แหละให้ขาดชับเดียวไม่มีแม้แต่เสียงกระ บ, บีก่กระทบไม้ไผ่ได้เวลาแสดงพันธุระแต่งตตงทรงเครื่องเต็มยศเต็มชุดถือดาบใหญ่ใหญ่กว่าดาบคนอื่นๆเขาคนอื่นยกไม่ขึ้นน่ะ แพันธุลานี่ดึงเดินทือท่อๆไปกระโดดขึ้นกลางหาวบาลีท่านว่านะพันธุล้เดินไปถึงแล้วกระโดดขึ้นกลางหาวฟันฉับลงไปที่ไม้ไผ่มัดตั้งเอาไว้ทั้งหมดนะั้นขาดหมดเลยแต่กลับมีเสียงดังแก๊บบาลีใช้เสียงว่ากิลิเสียงดังกิริเสียงเหล็กกระทบกั น, นอ่าเพราะแอบสอดเหล็กไว้แต่ว่าขาดหมดแล้วนะแต่ว่ามันออกเสียงเท่านั้นแหละ ตั้งแต่เราฟันมาเนี่ยแม้แต่ฟันภูเขาแท่งทึบยังไม่มีเสียงเลยแต่นี่ฟันไม้ไผ่ทําไมมีเสียงได้ก็รีบไปดูเห็นเหล็กเส้นเต็มไม่หมดเลยเท่านั้นแหละเสียใจมากพระเจ้าวิชวีก็เห็นไหมไม่เห็นว่าจะเก่งอะไรเลยฟันยังมีเสียงดังอยู่ อ, อายแล้วก็น้อยใจหนีเลยหนีจากแคว้นวัชีหนีจากพระเจ้าลิชวี นึกขึ้นได้ว่ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งคือพระเจ้าประเศนที่โกศลเราหนีไปอยู่เมืองของพระเจ้าประเศนที่โกศลแล้วกันเลยหนีมาดังนั้นคาถานี้เนี่ยเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพวกเจ้ามหาลิชวีนี่แหละพวกเจ้ามหาลิมาจากเมืองลิชวีเนี่ยได้ข่าวว่าเดี๋ยวคนนั้นก็บอกเดี๋ยวคนนี้ก็บอกในบุคธกิจก็มีว่า ตอบปัญหาเทวดาวันนั้นบอกพระอินทร์ลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าวันนี้บอกพระอินทร์ลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามันเป็นไปได้หรือไม่น่าจะเป็นไปได้เลยพากันด้นดั้นมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะถามปัญหาเนี้ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเท้าสักกาเทวราชเนี่ยพระองค์เคยเห็นจริงๆหรือหรือว่าพระองค์ ว่าเอาเฉยๆไม่รู้จักแม้แต่เท้าส ก, ก่าเทวราชจะเป็นตัวยังไงด้วยซ้ําพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหาลิเราใช่จะรู้จักแต่เท้าส ก, ก่าเทวราชเท่านั้นยังรู้จักข้อปฏิบัติที่จะให้เป็นเท้าส ก, ก่าเทวราชด้วยนั่นแหละเจ้าลิชวีทั้งหลายเลยอยากจะฟังเป็นยังไงยังไงทํำยังไงถึงจะได้เป็นพระอินทร์พระพุทธเจ้าเลยตรัส เล่าว่าทำยังไงบ้างจะได้เป็นพระอินทร์แล้วก็สรุปลงด้วยวัดเจ็ดข้อในคาถานี้คาถานี้เรียกว่าคาถาวัตตบทวัตตบทเจดวัดตตบทเจ็ดใครอยากเป็นพระอินทร์ต้องปฏิบัติทำเจ็ดข้อนี้ได้เป็นพระอินทร์แน่นอนวัตต์แปลว่าข้อประพฤติไงบทก็แปลว่า บ, บทแปลว่าข้อวัตตบทแปลว่าข้อควรประพฤติ ข้อควรประพฤติ7ข้อวัตตบทอ่ะวัตตระบทถ้าเขียนแบบไทยอ่ะมี7ข้อนะได้ข้ออยู่ในคาถานี้หมดแล้วดูนะตัวประธานคือเทวาตัวกิริยาคืออาหุทั้งประโยคนี้มีประโยคไ อ, อ้ทั้งคาถาเนี่ยมีประโยคเดียวเทวาเป็นประธานอาหุเป็นกิริยาอาขยะ อาหะเป็นตังโรคขาวิพัตพระหูพจน์เทวาเป็นเทวะแปลว่าเทวดาในเป็นพระหูพจน์แปลว่าเทวดาทั้งหลายเทวาเทวดาทั้งหลายตาวติสงสารชั้นดาววดึงเทวดาทั้งหลายชั้นดาววดึงอาหูอาหูกล่าวแล้วเรียกแล้ว อามาจากพรูธาอุวิพัฒน์นี่แหละโรคขาอาอุเอตะนั่นน่ะไม่ใช่อาหารธาตุพรูธาตุอเทพพรูเป็นอาหาด้วยพรูภูณมหาพูวาปังโรคขายังมีสูตรอยู่มาจากพรูธาตุพรูวิยัติยังวาจายังพอพันจุดรองเรือสรูอูพรูก็เหมือนกับในคาคาถาอรธนาปริตะพรูธมังขลังนั่นแหละ พลูธมังคลังอ่ะปริตังพูธมังคลังอ่ะูทะแต่พอมาถึงพระโรคขามันไม่มีรูปเป็นพูมีแต่มีรูปเป็นอาหรอาหาอาหุไปอาหุกล่าวแล้วต่อไปนักรังเห็นนักรังไหมนักรังบรรทัดที่สามไทยนักรังซึ่งคนซึ่งบุคคลซึ่งบุคคล ค, คลไหน ขึ้นไปข้างบนชันตุงชันตุงผู้เกิดมาแล้วชันตุงนั่งรังซึ่งบุคคลผู้เกิดมาแล้วชันตุงแปลว่าผู้เกิดมามาตาเปติพังรังเลี้ยงดูมารดาและบิดาพัางรังเนี่ยแปลว่าเลี้ยงพระาธาตุบอกไปทีนึงแล้วพระพระเนรในการเลี้ยงดูเนะี่ยมาตาเปติพังรัง ผู้เลี้ยงดูมารดาและบิดาคุณสมบัติข้อหนึ่งเลี้ยงมารดาบิดาข้อสองกุเลเชิฐาปจายินังเชิฐาปจายินังก็คือเชตฐบวกอปจายนะนะอปะจายนะนะอปะจายณไมอ่ะนอบน้อมถ่อมตนนั่นอ่นะเชิดถาปจายินังผู้นอบน้อม ต่อผู้เจ ร, เริญกุเลในตระกูลผู้นอบน้อมต่อผู้เจ ร, เริญในตระกูลใครเจริญในตระกูลก็เช่นปู่ย่าตายายอากูอากง อ, าอะไรก็ไล่มาใครเป็นผู้เจริญใครเป็นญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเน่เคารพนอบน้อมหมดเลยถ่อมตัวหมดไม่ใช่ถือว่าตัวเองเป็นลูกผู้พี่ ไปข่ลูกผู้น้องก็ไม่ได้เขาอายุมากกว่าต่อไปข้อ3สันหังสากิละสัมภาสังสันหังแปลว่าไพ่เงาะสากิละสัมภาสังแปลว่าอ่อนหวานพูดจามาจากคําว่าดูนะสันหังแปลว่าไพ่เงาะสักิละแปลว่าอ่อนหวานสัมภาสังนี่แปลว่ากล่าวแปลว่าพูด สันหังสักิละสัมภาสังพูดจาไพเราะอ่อนหวานไม่กระด้างไม่หยาบตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพูดคำหยาบเลยแม้แต่คำเดียวแม้แต่พูดกับตัวเองนะบางคนพูดตัวเองยังพูดคำหยาบด่าตัวเองนะบางทีทำอะไรผิดพลาดเลยด่าตัวเองถ้าคนอื่นไม่ต้องพูดถึงสันหังสักิละสัมภาสังพูดจาไพเราะอ่อนหวาน ต่อไปเปสุเนยะปหายินางเปสุเนยะเนี่ยนะแปลว่าปิสุนะวาจาแปลว่าสอเสียดปหายินางแปลว่าละแปลว่าเวน้นเปสุเนยะปะหายินางละคําพูดจาสอเสียดไม่สอเสียดใครไม่พูดกระทบ ไม่พูดเปรียบเปรยไม่พูดอะไรที่จะทำให้ใครเขากระทบกระทั่งได้ไม่พูดจาส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดนะพูดอ่อนหวานนะี่คือไม่พูดคำหยาบใช่ไหมละคำพูดส่อเสียดต่อไปข้อ4่ไอ้ข้อหข้อหมัดเฉงระวินเยยยุตังยุตังประกอบแล้ว ประกอบแล้วมัดแฉงระวิเยในการกําจัดความตรณีพยายามละความตรณีไม่ตรณีเหนียวแน่นเขาขอ5ให้ส0ถ้าวันไหนเขาไม่ขอถามว่าวันนี้ไม่ขอหรือเป็นคนที่ได้ยินคำว่าขอปลื้มใจยิ่งกว่าคำชม ได้ยินคําว่าขอจะเป็นคําที่อู้คํานี้แหละที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านประสงค์ให้ได้ยินใช่ไหมไม่ใช่ได้ยินคําว่าขออะไรงอตีนงอมืออะไรอย่างเนี้ยเท้าดีมือดีขออยู่ได้ใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าเป็นคนขี้ตนีงไงถ้าได้ยินคําว่าขอนี่ยอุย้ยเรียกว่าเป็นคําที่พระอริยะทั้งหลายส่งให้มาพูดเลยแหละคําว่าขอเนี่ยยินดีพอใจ เป็นอย่างนั้นไหมใครเป็นบ้างยกมือให้ดูหน้าหน่อยต้องดูคนขออีกต่อไปข้อไหนแล้วอ่ะข้อ6ต่อไปข้อ6สั์จังสัจจังกล่าวคำจริงกล่าววาจาสัตว์พูดความจริงข้อ7สุดท้ายโกธาพิพุง ข่คมความโกรธผู้ข่มความโกรธได้อุบายข่มความโกรธพระพุทเจ้าบอกไว้เหมือนกันนะหนึ่งข่มเนี่ยไม่ให้มันเกิดเลยแต่ถ้าระงับนมันเกิดขึ้นแล้วอืมเกิดแล้วบางทีกว่าจะระงับได้ละลานไปทั่วแล้วหมดแรงคอยระงับอะไรอเแต่ถ้าข่มนี่คือข่มไม่ให้ความโกรธมันเกิดขึ้นเลยหนึ่ง ระวังจิตไม่ให้โกรธต่ออารมณ์ที่ยั่วยวนให้โกรธอุบายระ ง, งับนะถ้าทำไม่ได้ระวังจิตไม่ให้โกรธไม่ได้มันโกรธแล้ววิธีที่สองต่อไปถ้าจิตมันโกรธก็ให้รีบระ ง, งับโดยเร็วขั้นตอนที่สองนะแต่ถ้ามันระ ง, งับไม่ได้ใช้ขั้นตอนที่สาม ขั้นตอนที่สามท่านบอกว่าถ้าจิตมันโกรธระงับไม่ได้อย่าพูดอะไรกับใครๆอย่าพูดอย่าพูดอย่าจาต่อไปถ้ามันจะพูดให้ได้ไม่พูดไม่ได้มันคันปากก็อย่าพูดระบายอารมณ์โกรธ ด, ด้วยคำหยาบ อย่าพูดคําหยาบเช่นบอกเขาก็ได้ว่าเนี่ยฉันจะโกรธแล้วนะแต่ถ้าจําจะต้องพูดคําหยาบมันไม่พูดไม่ได้แล้วไม่ไหวจริงๆแล้วอาจจะมีเหตุผลอะไรอะไรที่มันจะต้องพูด <c oughs> ก็ให้รีบเดินหนีอย่าให้ใครได้ยินไประบายในห้องน้ําตรงไหนก็ได้ที่มันมิดชิดดีหรือไม่เดินหาต้นไม้ไหนมีโพรมก็สวมหัวเข้าไปตะโกน <c oughs> ด่าใส่ต้นไม้เอาไว้แต่ระวังนะจบไปแล้วขึ้นคลองเมืองไปแล้วต่อไปถ้าหลีกไปแล้วมันยังไม่หายอ่ะนะท่านบอกว่าวิธีสุดท้ายวิธีสุดท้ายนะให้วิ่งหรือเดินอะไรก็ได้ไปหาจุดที่มันมีคนเยอะๆแล้วก็ระบายออกมาให้เต็มเต็ม ให้คนก็ห้อมล้อมฟังดู ก, งก่อนเราโกรธมันคือมันระ ง, งับด้วยวิธีอะไรก็ไม่ได้แล้วเขาชุมนุมกันอยู่ที่ไหนผ่ากลางวงเข้าไปเลยเอาจะว่า้าเขาจะว่ายังไงก็ช่างเขาสิให้มันหายโกรธไงวิธีระ ง, งับความโกรธ <laughs> แล้วหลังจากนั้นน่ะมันจะระ ง, งับได้ถ้ายังมียางอายเหลือนะมันจะไม่โกรธอีกเลยจะไม่โกรธอีกเลยหลังจากนั้นจะเก็บเนื้อเก็บตัวระมัดระวังคำพูดคำจานันแหละถูกบีบคั้นมันระ ง, งับไม่ได้มันสุดสุดแล้วมันถูกบีบคั้นสุดๆดแล้วยังไม่จบเลยค่ะถามมาดูต่อตั้งนั้น เอายังมีนั้นอีกนะทางนั้นก็คือผู้เป็นอย่างนี้นี้นั้นเ ว, ว, วกะแปลว่าแลนั่นแลอิติว่าสัปปุริโสเป็นสัพปะบุรุษเทวดาชั้นดาวดึงเรียกบุคคลผู้เกิดมาแล้วเลี้ยงดูมารดาบิดาประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล กล่าวคับาอากล่าวาเงเาะอ่อนหวานและคำสอเสียดพยายามกำจัดความตรณีกล่าวความจริงและข่มความโกรธได้นั้นว่าเป็นสัพพ บ, ร, บรุษ<อ>นั่นแสดงว่าวัตบท7อย่างเนี่ยพระพุทธเจ้ายืนยันกับเจ้ามหาลิว่าเทา้าสกกะเทวราชสมัยเป็นมนุษย์เนี่ย บำเพ็ญวัตถบทเจ็นี้อย่างเคร่งครัดพอละจากมนุสโลกนี้ไปแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาววดึงชั้นดาวดึงเนี่ยท่านบอกว่าดาวดึงอยเนี่ยอยู่ตังต้งเ ป, ประกอบประกอบอประกอบในความในในการกาจัดความตณีพยายามฮะวินเยกําจัดกําจัด เลี้ยงบรรดาบีดาข้อหนึ่งใครมีแล้วยกมือหน่อยไม่ได้เลี้ยงแม่ก่อนเลยก็นาะซียังไม่ตายโน่นน่ะตายตอน อ, ยอยานอยุยังน้อยยังไ่าันไม่มีครอบครัวไม่มีกําลังจะเลี้ยงใครนอบนอบ้อมต่อญาติผู้ใหญ่ในสกุลยกมือหน่อยบางคนไม่นอบน้อมนะคนชาวทิทิมานครหมดอะ่ะขมพ<น>่ขอม<น>ขอมแ<น>ม่ก็มี ข้อสามพูดไัเราะอ่อนหวานมีไหมตั้งแต่มาเนี่ยต่มายัางไม่เคยได้ยินใครพูดคำหยาบเลยนะข้อสี่ใครไม่เคยพูดส่อเสียดยุแยงใครเลยไม่เคยเลยยุน้องตีกัน <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เคยเลยต่อไปใครกำจัดความตรณีได้แล้ว <c oughs> มีตั้งเยอะแยะเลยตรณี ตรณีซับก็มีตรณีตระกูลก็มีตรณีความรู้ก็มีตรณีข้อวัดปฏิบัติตรณีทิฏฐิมีตั้งเยอะแยะเลยอันนี้ท่านหมายเอาตรณีทรัพย์ตรณีอย่างอื่นไม่ใช่ตรณีทซั์หมายว่าตรณีทิฏฐิก็ความคิดความเห็นก็เห็นว่าเป็นเป็นความคิดที่เราค้นพบแล้วก็ไม่อยากบอกให้ใครต่อไปใครพูดแต่คําจริงไม่เคยโกหกเลย ไม่เคยโกหกเลยมีไหมพูดเล่นพนะูดเล่นอเพอเจอร์คนละอย่าง <laughs> ไม่โกหกเลย <laughs> เอาใครผมความโกรธได้แล้ว <laughs> ไม่โกรธเลยตกลงเจ็ดข้อนี้ได้กี่ข้อกันแล้วนะ่ <laughs> ได้คนละกี่ข้อแล้ว นิดๆหน่อยๆงั้นงั้นเอางนี้แล้กันเอาอากาศัทธาเทวดาก่อนแล้วกันเพราะอินยังไม่ถึงดาวดึงสูงตอนนี้เอาอากาศัทธาเทวดาล่องลอยอยู่ตามช่องว่างไม่เคยโกรธเลยหมายถึงว่ามีคนมายุให้โกรธก็ไม่โกรธถ้าอยู่เฉยๆไม่โกรธก็เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้ามีคนมายุให้โกรธแล้วยังไม่โกรธโกรธแต่ในใจโกรธในใจก็ยังพอดีได้อยู่แต่ต้องไม่โกรธเลยอะ่ะจิตขัดเครืองเนี่ยปฏิฆาจิตเนี่ยไม่เกิดเลยในโทสะมูลทั้งหมดบริวารของโทสะก็ไม่มีปรากฏอา <c oughs> ะถ้าบรรลุนี่คือไม่โกรธแต่นี้ท่านใช้คําว่าข่มความโกรธมันมีเหตุให้โกรธแล้วมันโกรธแต่ว่าดับทันดับทันดับทั น, บทนอะไรเนี่ยแต่ถ้าไม่มีเลยนะใช่บรรลุ แต่ น, นี้ยังมีอยู่แต่ว่าข่มได้ทันคือยังไม่แสดงออกมาทางกายทวารทาง ว, ว จ, จีทวารมโนทวารมันเกิดขึ้นปกติมันก็ก็คือข่มได้ก็คือไม่ให้มันไม่ให้มันอายุมันยืนยาวอะ่ะตัดทอนช่วงโกรธให้มันสั้นลงสั้นลงนี่นแหละพระพุทธเจา้าตรัสคํานี้เสร็จมหาลี้ทั้งหลายก็บอกเอองั้นเชื่อแล้วว่าพระพุทธเจา้าเนี่ยเคยเห็นเท้าส ก, กะเทวราชด้วย งั้นไม่เชื่อไม่ได้ยินในได้ยินเรื่องอย่างนี้ไม่เชื่ออ้าแปลแปลนี่แหละแปลคาถานี่แหละยกศัพท์แปลเลยเทวาเทวดาทั้งหลายตาวติงสาชั้นดาวดึงอาหุกล่าวแล้ว นักรังซึ่งอุคคลชันตุงผู้เกิดมาแล้วมาตาเปตปีพังรังเลี้ยงดูมาดาบิดาเชิฐาประยินางผู้นอบน้อมต่อผู้จเจริญตะภูเลในตระกูลสันหังพูดจะภังราะ สักิละสัมภาสังพูดจาอ่อนหวานรวมกันเลยว่าสันหังสักิละสัมภาสังไพ่ ร, ร้ะอ่อนหวานเปสูเนยะปหายินางและคำพูดสอเสียดวินอะอ้ายุตตังประกอบแล้วมัชเชงระวินเย ในการกำจัดความตรณีสัจจังกล่าวคำสัตว์โกธาพิพุงข่มความโกรธแล้วตั้งนันตั้งเวตังเวนั้นแหละสัพปริโสอิติว่าเป็นสัพปะบุรุษส่วนที่มาก็เนี่ย สังยุตตานิยสขาธวัตพไตรายปิโดเล่มที่สิบห้าไปเปิดดูเรื่องราวเพิ่มเติมอ๋อเปเติมาไงครับอะไรครับเปติครับเปติไหนอ๋อเปเตติมันเป็นมีการอาเทียเฉยครับเปเตติมาติเปติครับมันมีทั้งสองฝ่ายเปตติมาจากปิตุนะครับมาจากปิตุปิตโตมาติโตปิตโตนะครับ จากทั้งสองฝ่ายจากฝ่ายมันดาจากฝ่ายบิดาจะเป็นมาติเปติอย่างนี้อ่ะต่อไปได้น้อยจังวันเนี้ย <c oughs> ว่าจะจบภายในวันนี้ก็ไม่จบแล้ว <c oughs> ต่อไปดูภาคภาษาไทยเป็นภาษาบาลีดิฉันย่อมไม่ปรารถนาซึ่งบุญรุษผู้โง่เข่าปรารถนาแต่บุบรุษผู้ฉลาดเท่านั้นก็เอาดูตัวอย่างว่าต้องปรารถนาลูกศิษย์ ไม่ปรารธนาลูกศิษโง่ปรารธนาเทลูกศิษฉลาดเนะ่ยคล้ายๆข้อนั้นแหละนะคล้ายข้อสี่นั่นแนะ่ะมาเปลี่ยนศิษย์ไปเป็นบุรุษเอาดิฉันอาหางเอาพระก็อาหางด้วยดิฉันเอ า, าไปอาหางต่อไปย่อมไม่ปรารธนาณณนะนะอะไรณนะอิจฉามิณนะอิจฉามิซึ่งบุรุษ ปุซึ่งบุรุษซึ่งบุรุษปุริสังผู้ง้อเข่าพาลังพาลังต่อไปปรารถนาแต่บุรุษผู้ฉลาดเท่านั้นอิชามิปรารถนาบุรุษซึ่งบุรุษปุริสังผู้ฉลาดเท่านั้นผู้ฉลาดเท่านั้นเอ้าทำไเป็นเสโผล่ละ ผู้ชลาดอะซึ่งผู้ฉลาดเขต้องซึ่งตามกันสิเอาปุคาโลทําไมอะอ เ, เอาไปเฉกโก้ยผู้ชลาดอะผู้ฉลาดลงวิพัฒน์หน่อยสิอือปัณฑิตัง<อ><อ>ผู้ฉลาดถ้ามีเท่านั้นก็เอวะปัณฑิตังเอวะหรือปันดีตะเมวะนั่นนะทำสนธิ์เรียงประโยคใหม่ว่าอย่างนี้อะหังพาลัง ปุกริสังนะอิจฉามิอหัรภาลังปุริสังนอิจฉามิปันดิตะเมวะปันดิตะเมวะปันดิตะเมวะแล้วก็อา้าวไปเอวังมาทำไมอะปันดิตะเมวะปันดิตะเมวะเมเ ม, ม, ม, มเอางี้เขีเป็นมะและ ปันติตเมวะปุงกสษังอิจฉามิปัณติตเมวะปันฑิตังเอวะไงเขียนเป็นปัณฑิตะเมวะให้แสดงภูมิรู้สนธิหน่อยถ้าปันฑิตังเอวะเนี่ยบาลีไม่นิยมใช้ถ้าไม่อยากทําสนธิต้องลงยะอาคมเป็นปันฑิตังเยวะชายหนุ่มรูปหลอมักได้หญิงสาวรูปงาม รูปหล่อกับรูปงามบาลีว่าไงนะอภิรูปะใช้กับหญิงก็ได้กับชายก็ได้อภิรูปะชายหนุ่มบาลีว่าโผริโสโผริโสแปลผู้ชายทั่วไปอย่างยมเกียรติพลกับผูริโสชายหนุ่มบาลีว่าไงทารโกโอทารโกโกก็เด็กฟาหาระ ไม่ไม่นิยมใช้ใช้สัพว่าใช้หนุ่มเลยตะรุโนดรุนดรุนแตกหนุ่มตะรุโน่ไปว่าชายหนุ่มทั้งรูปหล่อละอาพีรูปโปมักได้ก็คือย่อมได้นนเองย่อมได้ปาลีว่าไงละพะติไม่ใช่รับนะละพิ ะ, ะติ ละพัติย่อมได้ซึ่งหญิงสาวรูปงามซึ่งหญิงสาวบริว่างไงโทถ้าใช้ตาลุโนก็ใช้ตาลุนีหน่อยสิก็ตาลุนิงอภิรูปังตาลุนิงหน่อยสิเรียงประโยคใหม่ว่าอภิรูโปตาลุโนอภิรูโปตาลุโนอภิรูปังตาลุนิงตาลุนิง อภิรูปังตะกรูนิงละพระติละพะติข้อสพวกเรามาสู่วัดชื่อว่ามหาธาตุนี้เพื่อเรียนบาลีพวกเรามะยังมามาอาคัตอะไรมะยังมะยังมะยังก็ต้องอาคัดฉามะ มะยังมาก็อาคัดฉามะสู่วัดสู่วัดสู่วัดวิหา ร, ก, หารกลาง<ะ>ชื่อว่ามหาธาตุมหาธาตุนามมหาธาตุนามะเพื่อเรียนเพือพ่อเรียนคันตุงอะไรคันตุงเพื่อไปเพื่อเรียน อ๋อสิกตุงอ๋อสิกตุงซึ่งบาลีซึ่งภาษาบาลีปาลิภาสังเรียงประโยคใหม่ว่ามะยังปาลิภาสังสิกิตุงมะยังปาลิภาสังสิกิตุงมหาธาตุนามะวิหางรัง มหาธาตุนามะวิหารังอาคัจฉามะ <Okay. S 1> อ๋อนี้ยังไม่มีเลยเนี่ยอิมังอิมังอยู่ข้างหน้าเลย<ม>อิมังธาตุมหาธาตุอ่ะมหาธาตุอิมังมหาธาตุนามะวิหารังมีนี้ด้วยก็อิมังต่อไปข้อสี่วันนี้ คำว่าวันนี้ก็คือในวันนี้นั่นเองนะเราเห็นอุบาสกผู้มีศีลคนหนึ่งวันนี้บาลีว่าไงวันนี้อัจฉะโอ้ยอัจฉะง่ายเหลือเกินอัจฉะนี่ไงผ่านมาแล้วข้อสิบเนี่ยวันนี้วันนี้เอกาแปลว่าวันหนึ่งเปลี่ยนเป็นวันหนึ่งเป็นวันนี้วันหนึ่งแต่ในเขาใช้ว่าวันนี้ วันนี้จะไปเอกะทําไมละวันนี้ก็อิมัตสมิงที่วเสไปสิอิมัตสมิงที่วเสในวันนี้เราเห็นเราคนเดียวเราอาหฮัง<า>เห็นเห็นปฏิสาหมิอหฮังปัิสา ม, าาสามิเราเห็นอุบาสกซึ่งอุบาสก อุปาสกังผู้มีศีลคนหนึ่งศีลังอะเขาว่ามีด้วยสิอ่าศีลวันตังศีละวันตังแล้วก็เอกังเอกังคนหนึ่งเรียงประโยคใหม่ว่าอิมัตสมิงทิวเสอหังอหังอะไรมีเนวะด้วยเลย อาหางแล้วก็เอกังศีละวันตังอุปาสกังปัตสามิข้อห้าบุคคลไม่ควรไปสู่หนทางอันกันดานบุคคลปุคโลไม่ควรไปอะไรอายุตัง ไม่คําหนึ่งแล้วก็ควรไปอีก<น>คําหนึ่งณคัต<น>เฉยะณคัตเฉยะไม่ควรไปสู่หนทางมักคังอันกันดารอันกันดารกันตาลังเรียงประโยคใหม่ว่าปุกคโลปุกคโลกันตาลังมักคัง กันตางรังมักขังนััดเฉยะนััดเฉยะนักัดเฉยะ น, นั่นแหละข้อหจมูกสูดกลิ่นอันหอมของดอกไม้ในป่าจมูกได้ดมกลิ่นดอกไม้หอมอยู่ในป่าจมูกว่ารีว่าไงจมู ก, กโอโ้โหนาสิกะเลยเหรอ นาสิกานี่ยเขาไว้ออกเสียงเอาไว้ดมกินนี่เขาไม่ใช้นาสิกาหรอกครับเอาไล่ไปสินยตาหูจมูกลิ้น <c oughs> อ้าวใช้ใช้ัพ์ไหนอา่าคานางังเหยืยลงไปคานังจมูกคานางังสูดหรือดมบรีว่าไงอา้าวสูดสูดโอ้เคยผ่านมาแล้วอะ <c oughs> คำเนี้ย โน่น่ะตั้งแต่ทุติยาวิพัฒอ่ะเปิดคืนไปดูเหอะหน้าสิบสี่น่น่ะโน่น่ะโน่น่ะข้อแปดหน้าสิบสี่ข้อแปดเนี่ยคานังจมูกเนี่ยอือเอาสูตรสูตรบาลีว่าไงสูตรคานติกลิ่นกลิ่นกลิ่นแล้วก็คันทางอันหอม ก็เปลี่ยนเป็นสุไปว่าสุคันธังสุคันธังอันกลิ่นอันหอมของดอกไม้ของดอกไม้ไมบาลีว่าของดอกไม้มาอะไรสักอย่างมาอะไรปูพัสสะของดอกไม้ในปา่าในปา่าว ะ, วะเนวเเรียงประโยคใหม่ค<ะ>านังวะเน คางวเนคานังจมูกวเนในป่าอืมคา낭วเนแล้วก็ปุบผัดสะสุคันธังปุพผัดสะสุคันธังคายติคานังวเนปุบผัดสะสุคันธังคายติคาคอรังคายติไม่ใช่คายติ คายติ